สอนไม่กี่คำก็ทำตามได้หรือบรรลุได้ทันทีหรือให้แนวทางที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลให้สังเกตนะครับว่าหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วพระปุตุชนทั่วไปไม่เข้าใจต้องไปขอคำอธิบายขยายความจากพระอาหารหันตาสาวกก่อนจะนำคำอธิบายเหล่านั้นไปกราบทูลให้ทรงทราบและทรงรับรองคำอธิบายเหล่านั้นว่าถูกต้องถ้ามีใครถามก็จะทรงตอบเช่นนั้นเหมือนกัน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 ต่างก็มุ่งอธิบายหรือสั่งสอนในแนวทางที่ตนชนานาญหรือเห็นว่าเหมาะสมกับการละเทสาที่สุดในขณะนั้นคนที่ไม่เข้าใจแนวทางของท่านพุทธทาสส่วนหนึ่งก็เข้าใจคำสอนของท่านผิดพากันเชื่อว่าชาติหน้าไม่มีจริงหรือปรามาส ท, ท่านว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนธรรมะผิดทางการศึกษาธรรมนั้นถ้าไม่ศึกษาปริยัตและไม่ปฏิบัติให้ดีพอ ก็อาจเกิดความเข้าใจผิดในคำสอนและการเผยแผ่ธรรมของครูบาอาจารย์แต่ละท่านได้เช่นกันนะครับจึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะติติงเพราะจะเป็นบาปร้ายแรงติดตัวไปความการบรรลุธรรมของแต่ละท่านในอนาคตต่อไปนะครับอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตไพศาลเตชวลีกุล อัญชยาตาติยาวัฒนาสิริเจ้าภาพรองชูวิทย์สีโพคาประภัยจิตอันกลางครอบครวัวอิมวงรวรวศรีครอบครัวอธิสกุลครอบครวัวกหาสุวรรณจิออร์เจมส์แชงทศพรโลติวิกุลสุดาพรตงสิรินิจชามาโสภาร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องขอทุกท่านร่วมมนุมโมทนาสัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับเสียงงานหนังสือสัมมาสมาธิและปฏิปทาของครูบาอาจารย์พระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธถานิโยสีห้าสามารถทําให้บรรลุได้ การปฏิบัติธรรมในด้านจิตนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีล น, นี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุณธรรมอันเป็นภาคพื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะออยิางยิ่งศีลห้าอันเป็นศีลที่คาระวะ ท, ทั่วไปพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีลหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญ สิน8ปดสิน 10, สบสนีล227ก็รวมลงอยู่ในสีนห้าข้อนี้จะเป็นผู้ใดก็ตามในเมื่อมาตั้งใจสมทานรักษาสีนห้าข้อเมื่อทำสินลให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทำสมาธิภาวนาก็สามารถจะทำจิตให้สงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้น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 ในสภาวะรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถจะมีศีลมากๆขึ้นไปกว่านั้นก็อย่าพึ่งทำความน้อยอกน้อยใจว่าศีลเราน้อยเหลือเกินกลัวว่าจะไม่ถึงนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มากขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะปฏิบัต แล้วรักษาศีลให้มากๆได้หรือไม่ถ้าเราไม่มีสมรรถภาพพอที่จะรักษาศีลมากๆได้ก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีลห้าเท่านั้นคารวะโ ด, ดยทั่วไปมีแต่เพียงศีลห้าเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมมุสาวาทเว้นการเสพสุราเรายังประดับตกแต่งด้วยเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ ดูหนังดูละครหรือประโคมขับดนตรีก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มข้อวิการละโภชนาเข้าไปแต่ว่าอดเข้าเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากการประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจากขีตาเข้าไปแต่ว่าเว้นดูละครฟังดนตรีไม่ได้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 จะเป็นอุบายเพิ่มศีลเข้าไปอย่าว่าจะศีล227รข้อเลยต้องให้เป็นหมื่นๆมนข้อแสนข้อก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรมจะขยบฐา น, นะการปฏิบัติของตนให้สูงยิ่งขึ้นให้สูงยิ่งเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจารณาดูสมรรถภาพของตัวเองเป็นสำคัญ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 หมเหตุผู้อ่านตามหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นได้กล่าถึงการศึกษาปริยัตการศึกษาบาลีอย่างจริงจังของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นซึ่งระบุไว้ว่าทั้งสองท่านนั้นก็ให้ความสําคัญกับการศึกษาปริยัตศึกษาบาลีพอสมควรเลยนะครับซึ่งหลวงปู่มั่นท่านก็ย้าว่าความสําคัญในการศึกษาปริยัตนั้นจําเป็นมากเพื่อให้การเผยแพร่ธรรมนั้นถูกต้องตรงทางตามแบบแผน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 ภาวนาพุโทโธสิภาวนาพุโทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะบอกว่าอย่าถามพุโทโธแปลว่าอะไรถามไปทําไมแล้วท่านจะย้ำว่าให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวแล้วการภาวนาให้มากๆทำให้มากๆทำให้ ช, นชนานิชำนานในเมื่อตั้งใจจริง ผลที่เกิดขึ้นไม่ต้องถามทีนี้เราไปถามว่าภาวนาพุโทโธแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทั้งๆที่เรายังไม่ต้องลงมือทำแม้ว่าผู้ทาเห็นผลมาแล้วท่านให้คำตอบไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเราผู้ถามเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องถามถ้าหากว่า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 พุโทโธนี้เป็นคำบริกรรมภาวนาในอนุสติสิบข้อพุทธานุสติธรมมานุสติสังขานุสติหรืออนุสติอื่นๆที่มีคาบริกรรมภาวนาตั้งแต่ข้อที่1ถึง8เรียกว่าต้องใช้คำบริกรรมภาวนาตามบทหรือตามแบบในการภาวนาในข้อนั้นๆการภาวนาอะไรที่นึกคำบริกรรมภาวนาในใจ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 สภาวะที่จิตสงบนิ่งจับอยู่ที่อารมณ์อันเดียวแบ่งเป็นสามระดับ 1. คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะ 2. อุปจาราสมาธิสมาธิจวนจะแน่วแน่ 3. อัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่คณิกะสมาธิเป็นสมาธิอ่อน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 ให้อาศัยการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบ้างโดยกําหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนชํานิชํานานบ้างเช่นพุโทโธเป็นต้นให้กําหนดจดจ่อลงที่จิตและอาจิตนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธนึกอยู่อย่างนั้นนึกอยู่เฉยเฉยอย่าไปทําความรู้สึกว่าเมื่อไรจิตของเราจะสงบ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 แล้วเป็นนิ่งอยู่เฉยเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไป น, นึกถึงพุทโธอีกให้กำหนดรู้ลงที่จิตเฉยเฉอยู่แต่ในช่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ่อดูอยู่อย่างนั้น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 าจะปรากฏว่าอุปจาราสมาธิเกิดขึ้นมีความรู้สึกนิ่งสว่างแต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังรู้สึกอยู่บ้างนิดนิดหน่อยๆน่อยหรือปรากฏอย่างละเอียดในเมื่อจิตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้วจิตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิ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 ที่มีอริยมรรคประชุมพร้อมลงที่จิตถ้าหากในขณะที่ท่านผู้ปฏิบัติที่มีภูมิจิตลตักษณะอย่างนั้นเมื่อทำสมาธิให้สงบละเอียดลงไปคือทำในขณะที่ปราศจากสิ่งรบกวนเช่นนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระคนเดียวเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปอย่างละเอียดแล้วเมื่อเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาภายในจิตนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏมีลักษณะว่าจิตสงบนิ่ง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 สมาธิเอ่างนี้พล้ายก็มีอํานาจอะไรอย่างหนึ่งบ้างจะเรียกว่าอํานาจสะกดจิตก็ได้คือการสะกดจิตนั้นมีอยู่หลายอย่างสะกดด้วยอานาจคาถาอาคมบริกรรมภาวนาก็มีอย่างคนที่ปลุกพระนี้พออพระใส่มือแล้วก็ภาวนานามะพัทะนามะพัทะนามะพัทะเดี๋ยวก็สั่นขึ้นสั่นขึ้นสั่นขึ้นนั่นถูกอํานาจสะกดจิตแล้ว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 อะไรเกิดขึ้นลงไปภายในความรู้สึกก็เพียงแต่กำหนดรู้เฉยอยู่อย่าไปทำความเอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นนั้นถ้าเราไปทำความเอใจหรือไปทักท้วงสิ่งที่เกิดขึ้นจิตจะถอนจากสมาธิทันทีเพราะฉะนั้นให้กำหนดรู้อยู่เฉยเฉยในเมื่อจิตมีสิ่งที่รู้คือลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลา ตัวสติสัมปชัญญะจะต้องมีกำลังกล้าขึ้นสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพสงบโดยอัตโนมัตินี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้และถ้ า, าจิตของผู้ภาวนานั้นไม่วิ่งเข้าไปยึดลมหายใจก็ยอมจะส่งกระแสออกไปข้างนอกในเมื่อส่งกระแสความรู้สึกออกไปข้างนอก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 โดยไม่ไปเอจใจอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไปถ้าหากเกิดเอจใจขึ้นมาเมื่อไรแล้วสมาธิก็จะถอนภาพนิมิตนั้นก็จะหายไปในตอนนี้มีความสำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าภาพนิมิตต่างๆเป็นสิ่งอื่นมาแสดงให้เรารู้เราเห็นบางทีเราอาจจะเข้าใจผิด เช่นอย่างเห็นภาพผีเปรตหรือเทวดาเป็นต้นบางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาขอส่วนบุญเราแล้วเราก็ไปนึกแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขาในเมื่อนึกขึ้นมาอย่างนั้นจิตก็ถอนจากสมาธิภาพนิมิตทั้งหลายนั้นก็หายไปอันนี้ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไรนักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้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 ทำความรู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีความสาคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็นในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นพอจิตสงบเคลิมลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจารสามาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนักถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้ว จะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมาถ้าหากเราสามารถกำหนดจดจ่อรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สำคัญมั่นหมายในนิมิตต่างต่างภาพนิมิตจะเป็นอุปกรณ์การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญาโดยกำหนดรู้อยู่ที่จิตแล้วภาพนิมิต ท, ที่มองเห็นนั้นจะแสดงปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่างๆถ้าจิตของท่านผู้ปฏิบัตินั้นมีสมาธิมั่นคงพอสมควร ก็จะสามารถกำหนดเอานิมิตเหล่านั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความรู้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติบางทีภาพนิมิตนั้นอาจจะแสดงเรื่องอสุภกรรมฐานหรือาธาตุกรรมฐานให้เรารู้เห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถทำสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วเมื่อสติสัมปชัญญาของเราดีขึ้นแล้วจิตก็จะสงบ รวมตัวสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิเรื่องปัญหาอัปปนาสมาธินั้นบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอัปปนาสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตหรือเอกาคตาจิตไม่สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นได้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 ด้วยการน้อมนึกคิดแล้วเมื่อจิตนิ่งไปเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็จะสามารถบรรดาให้เกิดความรู้ความเห็นในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงสามารถแบ่งขั้นของอัปปนาสมาธิได้สองตอนตอนแรกจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิถ้าอยู่เป็นสมาธิในขั้นชาน จะไม่สามารถเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาเพราะจิตอยู่ในฌานย่อมเพ่งอยู่ในจุดจุดเดียวแต่ถ้าหากว่าจิตที่เคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐ า, านมาแล้วก็ดีหรือเคยพิจารณาอสุภะกรรมฐ า, านมาแล้วก็ดีเคยพิจารณาธาตุกรรมฐ า, านมาแล้วก็ดีเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นหนึ่งแล้วจะมีลักษณะคล้ายๆกับจิตถอนตัวออกจากร่างแล้วก็ส่งกระแสะมารู้เรื่องของร่างกาย จิตจะมองเห็นกายในลักษณะต่างๆจะเป็นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะสงบนิ่งเฉยสว่างอยู่และกายที่มองเห็นอยู่ในความรู้สึกของจิตนั้นก็จะแสดงกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอสุภกรรมฐานมาจนชำนิชำนาญด้วยการน้อมนึก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 ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าหากสมมุติว่าเราจะไม่พิจารณาอะไรละ่ะเป็นเพียงแค่ว่าเราจะบริกรรมภาวนาให้จิตสงบอย่างเดียวเท่านั้นละจิตของเราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิปัสนาได้หรือไม่ อันนี้ขอตอบว่าสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิปสนาได้โดยที่ผู้บริกรรมภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเริ่มต้นจากอุปจาราสมาธิจนกระทั่งถึงอปปนาสมาธิสมาธิในลักษณะที่จิตนิ่งอยู่ในจุดเดียวไม่มีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นในจิตมีการสงบจิตมีลักษณะ น, นิ่งและสว่างสวัยอยู่ในความรู้สึกอย่างเดียว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 ให้ตามกำหนดรู้ความคิดของตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิในเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิแล้วมิใช่ว่าเราจะหยุดกำหนดรู้จิตหรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตในทันทีทันใดก็หาไม่เราจาเป็นจะต้องกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวไปมาของกายวาจาและใจของเราอยู่ตลอดเวลาการตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวกายหรือการพูดการนึกการคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะจดจ่ออยู่นั่นหละคือการปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่าสามารถให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจําวันคนเราทุกคนนี้เป็นอยู่ด้วยการทำงานเราจะทำงานทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเวลาตื่นเราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่เวลานอนหลับเราทำงานด้วยอัตโนมัติจิตของเราก็ยังต้องคิดหัวใจก็ยังเต้นปอดก็ยังสูดลมหายใจ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 มันเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติและเป็นพื้นฐานที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่มีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลาแม้ตะลมหายใจของเรานี้มันก็แสดงความจริงให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือการสูดลมออกสูดลมเข้าตราบใดที่เรายังมีการสูดลมออกสูดลมเข้า ความจริงมันก็ปรากฏคือเราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไรหยุดสูรลมออกลมเข้าเมื่อไหรเมื่อนั้นก็หมายถึงความสิ้นสูญแห่งชีวิตคือตายนั่นเองเพราะฉะนั้นในคำตอบปัญหาข้อที่ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือชีวิตนิยอมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแน่นอนอีกในยยะหนึ่ง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 ธรรมะด้านสภาวะธรรมนี้ก็ย่อมมีปรากฏการแสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราสามารถกำหนดรู้ทันหรือเปล่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีปรากฏการ์ขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ภายในตัวของเรานี้เราก็มีกายกับใจ กายกับใจนี้ในเมื่อมีความสัมพันธ์อยู่ตราบใดเราก็ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นเมื่อมีกายมีใจแล้วเราต้องมีส่วนประกอบคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายและใจบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอินทรีย์หกบางทีก็ว่าประตูคือทวารซึ่งสุดลาเตะโวหารของพระองค์ ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใดทีนี้ถ้ามุ่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าอินทรีหกมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ต่างมีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะก้าวไายกันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะก้าวไายหน้าที่ของกันและกันได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขามีหน้าที่เฉพาะตัว ถ้าหูจะอุตริไปดูแทนตาเชิญเลยไม่มีทางทีนี้ตาจะทำหน้าที่อุตริมาทำแทนหูก็ไม่มีทางทำได้เพราะอาศัยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสมมุติบัญญัติว่าอันนี้อินทรีย์คือความเป็นใหญ่เฉพาะตัวในบางครั้งท่านก็กล่าวว่ามันก็เป็นประตูคือทวารในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประตู ตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่าประตูเพราะมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้ารูปผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายธรรมารมผ่านเข้ามาทางจิตใจสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามานี้ถ้าเรากำหนดให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่นี้ ใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจของเรานั่นเองละ่ะเป็นผู้รู้สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวธรรมกายใจเป็นสภาวธรรมตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นสภาวธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นสภาวธรรมในที่สุด แม้ว่าใจผู้รู้ก็เป็นสภาวธรรมอีกสิ่งที่เป็นสภาวาธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นกันอยู่นี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวาธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินักปฏิบัติธรรมนักศึกษาธรรมเอาใจมารู้กับสิ่งเหล่านี้ ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเราก็ได้ชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามาตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากจะขอตัดเรื่องราวิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังมามากตัวมากแล้วเช่นบริกรรมภาวนาบ้างหรือการพิจารณาอะไรซึ่งเกี่ยวกับร่างกายสังขารบ้างซึ่งเป็นส่วนภายใน อยากจะตีความหมายแห่งสภาวธรรมให้มันกว้างๆออกไปเพื่อที่เราจะได้มีทางปฏิบัติธรรมให้กว้างขวางออกไปยิ่งกว่าที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาเข้าใจว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตหรือสิ่งใดที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะนําเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติกรรมฐานได้ถ้าอย่างสมมุติว่าใครสักท่านหนึ่งอาจจะถามขึ้นมาว่าข้าพเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแพทย์จะเอาวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนากรรมฐานนี้ไม่ต้องเอาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอจะใช้ได้ไหม คำตอบก็คือได้ทำไมจึงต้องได้เพราะวิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั้นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในเมื่อความรู้อันใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจกายและใจเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่กายรู้ใจรู้หรือสัมผัสรู้นั้นก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิตกเอามาเป็นอารมณ์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 อย่างเราอาจจะนึกว่าวิชาแพทย์คืออะไรมีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรเวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษาอย่างไรวางแผนอย่างไรอะไรในทำนองนี้ซึ่งรอยกเป็นหัว ข, ข้อขึ้นมาตั้งเป็นปัญหาแล้วก็คิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจนกระทั่งจิตของเรามันสงบเพราะการคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ เราบริกรรมภาวนาพุโทโธพุทโธพุทโธพุทโธคือความคิดเหมือนกันยุบหนอพองหนอคือความคิดเหมือนกันสัมมาอรหังคือความคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมานี้เอาวิชาที่เราเรียนมาทุกอย่างมาเป็นความคิดนี้มันก็เป็นความคิดในเมื่อสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องรู้ของจิต เรื่องระลึกของสติทำไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้บางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่เลยแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรในสมัยที่อัตมาเป็นสามเณรน้อยเรียนธรรมบทแปลาภาษาบาลีเคยแปลพบเรื่องหนึ่งว่า ช่างไม้นั่งถากไม้อยู่อาการถากไม้เป็นอารมณ์กรรมฐานลงปัญญาลงสู่พระไตรลักษณ์พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สําเร็จพระอรหันต์เหมือนกันการถากไม้มีคําว่าธรรมะเจอปนอยู่ด้วยไหมมีอีกคนหนึ่งนั่งทอหกอูก็มาพิจารณาชีวิตตัวเองเปรียบเทียบกับการทอหูก การทอหูกนี้มันหดสั้นเข้าไปเรื่อยชั้นใดชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วก็ได้ความสลดสังเวชได้สำเร็จพระอระหันต์การทอหูกมีคําว่าธรรมะหรือเปล่ามีท่านผู้หนึ่งเดินทางไปเห็นพยับแดดเดือนเมษามันร้อนมองเห็นพยับแดดเกิดความระยิบระยับขึ้นมาก็ไปปรองปัญญาว่า อ, อพยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะจิตก็ได้ความสังเวชก็สมเด็จพระอาหารหันต์พยับแดดมีคำว่าธรรมะเจือปนอยู่ด้วยหรือเปล่านี่นำเรื่องต่างๆมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังนี้อาตมาภาพอยากจะแก้ข้อสงสัยข้องใจบรรดานักศึกษาธรรมทั้งหลายเช่นอย่างบางทีว่าสมถะกับวิปัสสนานี้มีนัยยะต่างกันอย่างไร มีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าจะให้คำตอบตรงตามความหมายกันจริงๆสมถะและวิปัสสนาต่างกันแต่วิธีการแต่จุดมุ่งหมายก็คือความสงบท่านจะสังเกตดูข้อเท็จจริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ถ้าอยากจะรู้ข้อเท็จจริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแบบทิ้งเอาไว้ก่อน คือสลัดทิ้งแบบแผนตามตำราวไว้ก่อนการปฏิบัติสมถะกรรมฐานตามความเข้าใจโดยทั่วไปคือบริกรมรมภาวนาและการเพ่งกระสินหรือนึกอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวหรือนึกถึงลมหายใจหรือนึกถึงโครงกระดูกเป็นต้นและเป็นการนึกอยู่เฉพาะในวงจำกัดเฉพาะสิ่งสิ่งหนึ่ง เช่นอย่างนึกพุทโธพุทโธพุทโธก็นึกอยู่ที่พุทโธอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสมถะแต่ถ้าท่านผู้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากๆวิตกคือตริถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่เสนอแนะ่ไปแล้วเมื่อสักครูน่นี้เช่นอย่างเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาก็มานึกถึงหัวข้อวิทยาศาสตร์ แล้วก็ตั้งคําถามตัวเองตอบตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรในเมื่อตอบไปได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรตอบไปข้อไหนเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถามตัวเองตอบตัวเองเรื่อยไปหรือเราจะนึกน้อมเอาร่างกายของเรามาวิตกคือตริขึ้นมาว่า ร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยขันห้5รูปเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาใช้ความคิดว่ารู ป, ปังรูปไม่เทียงอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวกับเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่อยไปการปฏิบัติแบบใช้ความคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน หรือปฏิบัติแบบวิปัสสนากรรมฐานหมายเหตุคำว่าวิตกมาจากบาลีว่าวิตักกะแปล ง, ง่ายๆว่าความตรีอย่าพึงสับสนกับคำว่าวิตกกังวลที่ใช้ในภาษาไทยนะครับ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 ในแนวแห่งสมาธิเพราะทั้งสองอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตสงบเหมือนกันมีเชื่อทดลองดูก็ได้เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างกันนี้แตกต่างกันเฉพาะวิธีการแต่ถ้าจะถามว่าการปฏิบัติ ด, ด้วยบริกรรมภาวนานี้กับการใช้สติปัญญาพิจารณาเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วจะมีในยา่าแตกต่างกันบ้างไหม อันนี้มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างการบริกรรมภาวนาบางทีจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นิ่งติดอยู่ที่สมถะกรรมฐานที่ท่านว่าบริกรรมภาวนานี้ได้แค่สมถะกรรมฐานถูกต้องตามที่ท่านว่าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้สติปัญญาเริ่มต้นพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้องบริกรรมภาวนา เมื่อจิตสงบลงทำให้เกิดมีปีติมีความสุขและมีสมาธิอย่างเดียวกับบริกรรมภาวนาผู้ที่ได้ความคิดนั้นในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะเดินวิปัสสนาได้เร็วกว่าผู้ที่บริกรรมภาวนาเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้อย่าข้องใจใครจะบริกรรมภาวนาก็ได้จะใช้สติปัญญาพิจารณาก็ได้ แต่ว่าขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์อาอจะเป็นเรื่องนอกตําราสักหน่อยหนึ่งการทำสมาธิการปฏิบัติสมาธิต้องพยายามให้สัมพันธ์กับงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่างสมมุติว่าท่านขับรถภาวนาพุทโธในขณะที่ขับรถภาวนาพุทโธถ้าต่างว่าจิตสงบลงไป แล้วมันไปอยู่กับพุโทโธไม่สนใจกับการขับรถท่านลองหลับตานึกดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องขับรถไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าร้ายไปหน่อยรถสวนมากๆบางทีอาจจะชนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ลองพิจารณาดูเป็นประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังและเคยได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเองเพราะฉะนั้น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 ไม่มีพิธีรีตองอะไรทำสติรู้อย่างเดียวเรื่องพิธีรีตองนั้นตัดออกไว้เสก่อนถ้าเราจะทำให้เป็นพิธีนั้นเอาไว้ทำตอนเช้าตอนเย็นที่เรามีไหว้พระสวดมนต์ประจำวันแต่ถ้าเราจะทำในขณะนี้ขณะที่ท่านฟังเทศท่านอาจจะทำสติกับการฟังเทศเอาเสียงเป็นเครื่องรู้ของจิตเรื่องระลึกของสติ ถ้าท่านกำหนดจดจ่อฟังอยู่แม้ว่าท่านจะจำคำพูดไม่ได้ทุกคำท่านอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเสียงนี้มันก็มีสูงสูงต่ำต่ำมีหนักมีเบามีสั้นมียาวประเดี๋ยวท่านก็รู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาด้วยการกำหนดรู้ปัจจุบันหรือแม้ในที่สุดท่านอาจจะกำหนดรู้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่าน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 จากกลิ่นไอของกันและกันบางทีอาจจะเกิดความร้อนทีนี้บางทีพระที่พูดที่เทศอยู่นี้ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าหน้าฟังฟังไปฟังมามันเหน็ดเหนื่อยอาจจะเกิดอารมณ์คานขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นสอดแสดงให้เรารู้ธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น การที่เราจะทำสมาธิให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มันใกล้ที่สุดอย่าให้มันห่างกันในมหาสติปฐานท่านก็ให้กำหนดยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดและคิดทำสติอย่างเดียวทีนี้ในสิ่งอื่นๆที่เราทำอยู่ เวลาเราต้องการใช้ความคิดเกี่ยวกับงานเราก็เอาเรื่องงานมาคิดทำสติคิดให้มันจดจ่อลงให้มันชัดๆเวลาทำทำสติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทำสติอยู่กับสิ่งนั้นทำอะไรก็ทำสติกับสิ่งนั้นทำสติอย่างเดียวอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิต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 2การใช้สติปัญญาพิจารณาโดยวิตกความรู้ที่เราเรียนมาหรือถ้าหากใครรู้เรื่องกายเรื่องใจมากๆเรื่องอภิธรรมมากๆจะวิตกเอาอภิธรรมมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเรื่องระลึกของสติก็ได้ถ้าท่านผู้ใดไม่คล่องต่อเรื่องของธรรมะก็เอาวิชาการที่เราเรียนมาที่เรารู้มาที่ ค, คล่องๆแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์พิจารณาในเบื้องต้น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 จะสามารถประคับประคองจิตให้เดิมรงอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ง่ายเมื่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วเพิ่มพลังขึ้นโด้ยการฝึกฝนอบรมกลายเป็นสตินสีอินรีคือสติเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินสีแล้วพอกระทบอะไรขึ้นมาจิตจะค้นคว้าพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ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 ในเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติวินโยสมาธิสติปัญญาของผู้ปฏิบัติมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นท่านผู้นั้นจะไม่มีการหลับยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดและคิดตลอด24ชั่วโมงสติสัมปชัญญะเป็นสายสัมพันธ์สืบต่อกันตลอดเวลาแม้หลับลงไปแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะสติไม่ขาดตอน สติตัวรู้หรือสติตัวรู้สึกสำนึกหรือสติเป็นตัวการซึ่งเป็นสติวินโยนี้มันจะคอยจดจ่ออยู่ที่จิตตลอดเวลาพออะไรเข้ามาพลับมันจะฉกเหมือนงูเห่าฉกเหยื่ อ, อย่างนั้นถ้าสิ่งใดที่มันยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันจะยึดเอามาแล้วก็พิจารณาค้นคว้าจนรู้ความจริงถ้ามันรู้แล้วก็สัมผัสรู้แล้วมันนิ่ง เวลาเราจะทำงานทําการสิ่งหนึ่งสิ่งใดสติตัวนี้มันจะคล้ายๆว่าตัวรู้ปรากฏอยู่ในถ้ำกลางแห่งทรงอกส่วนที่ส่งกระแสออกไปทางานมันก็ทางานของมันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสามารถจะเอาพลังแห่งสมาธิไปใช้ในงานทุกประเภทได้การทําสมาธิอันใด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 วันนี้อาจารย์ท่านสอนอะไรมาพอกลับมาถึงที่พักพอเสร็จธุระแล้วให้วิตกถึงวิชาที่เราเรียนมาในวันนั้นมาคิดทบทวนเป็นการทบทวนความจำคิดไปคิดมานึกไปนึกมาอยู่อย่างนั้นด้วยความตั้งใจผลปรากฏว่าทําห้นักศึกษาทั้งหลายมีความสนใจปฏิบัติอย่างนี้มีสมาธิแล้วก็สามารถเรียนหนังสือเก่ง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 อันที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ปัญหาหัวใจได้สามารถแก้ไขปัญหางานการได้สามารถใช้พลังสมาธิไปสนับสนุนกิจการงานที่เราทำอยู่ได้ทุกประเภทจึงจะชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิและได้ผลคุ้มค่าแก่การเสียเวลา ปฏิปทาของครูบาอาจารย์โดยวิสัยของพระทุดงข้กรรมฐานแล้วจะต้องมีความเคารพบูชาในครูบาอาจารย์ของตนเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ท่านทั้งหลายอารัธนามาแสดงธรรมนี้ก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ดีไปกว่าไกปา่ป่าไก่ป่ามันมีนิสัยเป็นอย่างไร สมมุติว่าในป่าหนึ่งมีไก่ป่าตัวผู้อยู่ร้อยตัวพันตัวเราจะได้ยินเสียงไก่ตัวที่เป็นหัวหน้านั้นขันถ้าไก่ตัวอื่นขันแทรกแซงขึ้นมาหมู่พวกของไก่ทั้งหลายมันจะรวมจิกเอาจนตายอันนี้วิสัยของไก่ป่ามันเป็นอย่างนั้นวิสัยของพระนักปฏิบัติซึ่งมีความเคารพ บ, บูชาในครูบาอาจารย์ถ้าพูดมากนะักมีความรู้สึกหนาวในจิตในใจ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 กราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ลงปีตนเสมอกับครูบาอาจารย์จึงใครจะขอนำประวัติการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นถึงท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเป็นต้นมาซึ่งสมัยนั้นเป็นสามเณรน้อยๆอายุเพียง1 4บ5หปีเคยอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์นั่งประชุมกันอยู่หรืออยู่ในอาวาสนั้ น, น, น หน้าที่ของการถกปัญหาแก้ปัญหาจะต้องเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าเราต่างคนต่างนั่งเทศแข่งกันอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้แม้แต่การถือนิสัยครูบาอาจารย์ตามระเบียบพระธรรมวินัยก็ตามเราอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์เราไม่ได้นับอายุพรรษาครบห้าว่าเราพ้นนิสัยมุตตะ ก, กคือภิกษุที่บวชใหม่ยังมีพรรษาไม่ครบห้า ต้องถือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นอุปชาอาจารย์และอาศัยภิกษุรูปนั้นอยู่รับโอวาทของภิกษุนั้นเพราะเราถือว่าการพ้นนิสัยมุตกะนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของอุปชาอาจารย์เป็นผู้ยกให้เช่นอย่างหลวงตาพรซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาในสมัยที่ท่านออกจากคารวาสไปบวชทีแรกก็ไปอาศัยอยู่สำนักของท่านอาจารย์มั่น ท่านอาจารย์มั่นบังคับให้บวชเป็นตเตห์นฉีพะขาอยู่สามปีอบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนจิตมีความสงบรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมวินนยระเบียบปฏิบัติต่อครูอาจารย์และพระศาสนาเป็นอย่างดีแล้วท่านก็ให้เปลี่ยนจากเพศชีเป็นเพศสามเณรคือให้บวชเป็นเนนใหญ่อยู่สามปีพอครบสามปีแล้วท่านอาจารย์มั่น ได้พาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดปฐุมวนารามในกรุงเทพมหานครซึ่งท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้นำมามอบให้พระปัญญาพิสารเทระในวงเล็บหนูซึ่งเป็นพระอุปชาของอาตมาเองเป็นอุปชาอุปสมบทให้ในเมื่ออุปสมบทแล้วก็อยู่ในสำนักท่านอาจารย์มั่นเอาใจใส่ปรนนิบัติอุปถาครูบาอาจารย์มีให้เดือดร้อน อาจาริยวัดอุปชัยวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระวินัยทุกประการจนกระทั่งท่านอาจารย์มั่นพิจารณาดูอุปนิสัยและการประพฤติปฏิบัติว่าสมควรพอที่จะออกไปบำเพ็ญเพียรโดยลำพังตัวเองได้แล้วท่านจึงเรียกมาสั่งว่าพอเอ้ยเจ้าก็ฝึกฝนอบรมกับครูบาอาจารย์มาตั้งสิบปีผลนิสัยมุตกะพอจะช่วยตัวเองได้รีบออกไปหาวิเวกเฉพาะตัวก่อนเถอะ ให้โอกาสองค์อื่นเขาเข้ามาปฏิบัติครูบาอาจารย์บ้างนั่นแหละจึงจะได้ออกจากสำนักครูบาอาจารย์นี้คือจารีตประเพณีของพระธุดงค์ขกรรมฐานที่ปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์ในสมัยอดีตในสมัยที่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นยังดำรงชีวิตอยู่และอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2486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 เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มันบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราอนุโลมตามความต้องการของชาวโลกแทบจะไม่ปรากฏแม้แต่การทำบุญมหาชาติการจัดงานวัดมีมหรสพต่างๆเราไม่เคยมีมาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็พอกันเป็นนักธุรกิจไปเกินเสียไม่ได้หยุดจากเหนือไปใต้ จากใต้ไปเหนือไปเที่ยวโปรดญาติโยมแต่ไม่แน่นักว่าไปเที่ยวให้ญาติโยมโปรดหรือว่าไปโปรดญาติโยมกันแน่ไม่ทราบอันนี้ก็ขอฝากให้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ได้นำไปพิจารณาเป็นการบ้านครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์ฟัน่นทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการร่อแร่เต็มที่ก่อนหน้าที่ท่านจะสิ้นใจประมาณสามวัน พอเปรียาบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเนรที่เฝ้าปฏิบัติอยู่ให้เอาท่านลุกขึ้นพระก็เรียนท่านว่าหมอไม่ให้ลุกท่านก็ย้ำว่าเอาลุกขึ้นลุกขึ้นในเมื่อเอาท่านลุกขึ้นมาแล้วแทนที่ท่านจะพูดอะไรมือที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุตส่าห์พยายามพยุงยกขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าพูดแล้วก็บอกว่า นี่อะไรครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทําได้ดีด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันมากขึ้นเพราะเมื่อมันหมดรุ่นของพวกเธอแล้วพระทุดวงฆกรรมาฐานจะไม่มีเหลืออันนี้เป็นโอวาทของท่านอาจารย์ฟัน่นซึ่งท่านประทานไว้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็จะใกล้ขอฝากเพื่อนสหธรร ม, มิกทั้งหลาย เอาไปพิจารณาเป็นการบ้านเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังเดินหน้าหรือกำลังถอยหลังเข้าคลองการถือทุดดวงขวัตต่างๆเรามีความเครงรัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไรถ้าสนใจในปฏิปทาชีวประวัติของท่านอาจารย์มั่นเราจะได้เครื่องวัดความประพฤติของเรานี้มันย่อหย่อนหรือมันตึงขึ้น เท่าที่สังเกตโดยทั่วๆไปแล้วบรรดาพระภิกษุสา ม, มนเณรที่อุปสมบทเข้ามาอายุพรรษายังไม่ครบห้าระเบียบวินัยยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูกและวก็เที่ยวสะพายบาด ท, ทุ ด, ดงจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือในฐานะนที่เรายังไม่เข้าใจระเบียบวินัยเพียงพอไม่ได้ฝึกอัดระเบียบนิสัยจากครูบาอาจารย์เพียงพอ เราก็นำลัทธิการปฏิบัติผิดผิดไปไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขา้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะยังยิ่งการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี้ถือเคร่งนักท่านจะต้องฝึกสอนกราบไหวให้ถูกต้องตามระเบียบเบญจางคประดิษฐ์โดยเอาหัวเขากับข้อศอกต่อกัน วางมือลงราบกับพื้นนิ้วมือไม่ให้ทง่งเป็นระยะห่างพอหน้าผากลงไว้ได้ระหว่างคิ้วกับหัวแม่มือจดกันทำหลังให้ตรงไม่ทำให้โก่งโค้งแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยและงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบที่ครูบาอาจารย์ของเราถือนักมาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ชาเลืองดูแล้วการกราบการไหว้ ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่านำมาพูดแต่ว่าโอกาสนี้เรามาประชุมกันมากๆเพื่อหากว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้างถ้าหากใครจะนึกว่าเป็นเรื่องนำมาประจานต่อหน้าธารกํานันก็ไม่ควรอายเพราะว่าเราหวังดีต่อกันเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศฟังธรรมกันบ้าง นอกจากเรื่องการกราบรองลงไปคือการว่าอัคราฐานกรให้ถูกต้องตามอัคราตามภาษาบาลีให้ถูกต้องตามสำเนียงมคตภาษาแล้วรองรองลงไปก็เรื่องระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับประเคีนสิ่งของของอันใดที่เป็นยาวกาลิก ค, คือของที่ให้บริโภคได้ชั่วคราวตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน ยามกาลิกของที่ให้บริโภคได้ชั่วคราวคือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งได้แก่น้ำสำหรับดื่มที่คันออกจากน้ำลูกไม้สัตตาหากาลิกของที่ให้บริโภคได้ชั่วคราวคือเจ็ดวันได้แก่น้ำตาลน้ำพึ่งยาวาชีวิกะของที่ให้บริโภคได้เสมอไปไม่จำกัดการเวลาเช่นยารักษาโรคอติเรากาลาบ ผลอันใดที่มันเกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านเคยให้เฉลี่ยแจกแบ่งสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ขาดตกบกพร่องเพราะเราถือว่าเป็นสมณาศักยบุตร ด, ด้วยกันเราจะต้องดูแลสุขทุกข์ด้วยกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บป่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรในอาวาสนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษา แต่เท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมีเป็นหลวงพ่อหลวงตาไม่มีบุญบารมีบ้างถ้าเจ็บป่วยลงก็ตกอยู่ในคราวลําบากจะต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยมยกตัวอย่างอาจารย์องค์หนึ่งเจ็บป่วยมาจากนครพนมชื่ออาจารย์ทองอาโซโปโเป็นอาจารย์ผู้ทํากิจพระพุทธศาสนาทํากิจธุระปื้นปูหมู่คณะ เป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสาเหมือนกันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไปที่แรกก็ไปอาพาธอยู่วัดเกาะแก้วอัมภรวันอําเภอธาตุนมจังหวัดนครพนมภายหลังญาติโยมก็พามาวัดป่าบ้านสวนวัวอําเภอม่วงสาสบจังหวัดอุบลราชธานีในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระธุดงคัจรามาฐานเฝ้าวัดนั้นอยู่แปดองค์พออยู่มาไม่ถึงอาทิตย์ รูบาอาจารย์ผู้เจ็บป่วยมาพึ่งพาอาศัยบุญบา ร, รมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้นท่านจะเห็นว่าการอุปถามพระภิกษุไข้เป็นการลําบากเป็นภาระหรืออย่างไรไม่ทราบพราเนียนทั้งวัดสะพายบาดแบกหลดหนีไปหมดทิ้งพระอาจารย์ทองซึ่งอภิษฎเป็นโรคอมภาทให้นอนอยู่ในวัดป่าบ้านสวนวัวเพียงองค์เดียวในที่สุดก็ต้องเดือดร้อนถึงเจ้าคุณจินวงศ์สาจารย์รรษานั้นจําต้องสัตตาหะ คือเป็นพุทธานุ ญ, ญาตถ้ามีธุระจริงๆส่งอนุ ญ, ญาตให้ไปได้แต่ให้กลับมาในเจ็ดวันถือว่าพรรษาไม่ขาดตลอดพรรษาในพรรษาเก้าสบวันมีเวลาได้นอนวัดเพียงส2องวันเท่านั้นเองนอกนั้นไปจำวัดที่อื่นจนกระทั่งท่านอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรณาภาพลงไปได้จัดงานศพเสร็จจึงได้หมดภาระ อันนี้ก็เป็นสิ่งบุกร่องอันหนึ่งสำหรับลูกศิษย์นักปฏิบัติของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวินัยอันเคร่งครัดภิกษุสงฆ์อาพาธเกิดขึ้นในอาวาสใดเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องอุปถากดูแลรักษาหาหยุกหายาหาหมอมาพยาบาลรักษาถ้าภิกษุรูปใด เมื่อเห็นสหธรร ม, มิกของตนเองเจ็บไข้าอาภาษ์ลงถ้าหากคิดว่ามันจะเป็นภารายุ่งยากรีบออกจากอาวาดนั้นเสียพระวินัยท่านปรับอาบัตเป็นความผิดละเมิดข้อวินัยเพราะขาดความเอื้อเฟื้อไม่เอาใจใส่แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาคิดว่า เรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเราจะรีบเร่งปฏิบัติเพื่อให้ได้อรหันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับคันทัปรินิพานพระอรหันและพระภูตุชนธรรมดาทั้งนั้นซึ่งสนใจในการดับคันทัปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่านวักกภิกษุคือภิกษุผู้บวชใหมายองค์นั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์จึงได้ยกเป็นอธิกรคือข้อพิพาทขึ้นมา ถือว่าท่านทําผิดแล้วก็นําข้อความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกมารับสั่งถามว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงหรือมีเหตุผลอันใดพระภิกษุใหม่องค์นั้นก็ทูลว่าข้าพระองค์ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันทพระริณิพานแล้วแต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลใดๆทั้งสิน้นจึงตัดสินใจเด็ดเดียว จะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้ได้อรหันมาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จไปนิพพานจากไปเสียในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเช่นนั้นก็ยกย่องสรรเสริญพระภิกษุองค์นั้นว่าดีแล้วภิกษุขอให้พวกภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่พึงเอาตัวอย่างพระองค์นี้แล้วเราจะได้ดีนี้ในสังคมของพระอรหันต ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเรื่องเหล่านี้เป็นอธิกรณ์ที่สำคัญทีนี้ถ้าหากว่าในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากสหธรรมิกของเราเปิดทอดทิ้งภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปถ า, ากดูแลรักษาพยาบาลเราสมณะสังยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาบารมีอาศัยใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ในสายนี้ที่ท่านถือเป็นเรื่องเร่งหนักหนา อย่าว่าแต่ในอาวาสเดียวกันแม้ภิกษุในอาวาสอื่นเกิดอาพาธขึ้นท่านจะต้องส่งภิกษุสามเณรองคใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจทุระหน้าที่แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางทรงรับสั่งสรรเสริญว่าผู้ใดอุปธรรมอุปถาก ภ, าภิกษุอาพาธมีอนิสง์เท่า ก, กันกับอุปถาพระพุทธเจ้าคือเราตถาคต ที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนใจพระภิกษุสงฆ์มิให้ทอดทิ้งกันนิยามยากดังนั้นในปกติแล้วเรามีปัจจัยสี่เกิดขึ้นพระภิกษุสงฆ์จะต้องพิจารณาแจกแบ่งไปตามฐานา น, านุรูปคือแจกแบ่งกันใช้แบ่งกันฉันพอให้มีชีวิตอยู่มีกำลังพอประพฤติพรหมจรรย์มีใจว่าจะแจกแบ่งไปเพื่อความร่ำรวย หรือเพื่อความสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่าโดยปราศ จ, จากประโยชน์เพราะฉะนั้นโภชนเนมัตตันยุตาการปฏิบัติธรรมต้องถือหลักโพชชนะรู้จักประมาณในการบริโภคการบริโภคนี้ไม่เฉพาะแต่บริโภคปัจจัยสี่แม้แต่การประพฤติข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะรู้จักประมาณ ดังนั้นในธรรมจักรกปรปวัตนสูตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าตุเอเมพิกเวอันตาปะพาชิตเณ น, นะเนเซวิตัาภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันบันพชิตไม่ควรซ่องเสพคือการมาสุขขันริกานุโยกการประกอบตนให้ผัวพันในความสุขมากเกินไปคือเกินพอดี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 เราจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดมัชิมาปฏิปทาตถาคเตเนณะอภิสามพุทธาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติพอดีไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนักเป็นทางสายกลางแนวทางที่ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยผลดังนั้นตัวอย่างการถือ ในสัตชิกทุดงตามแบบเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์นสิริจันโทท่านเจ้าพระคุณอุบาลีสอนให้ลูกศิษย์ถือทุดดงเขวัตเกี่ยวกับการอยู่ในสัตชิกใครสามารถจะอดนอนตลอดคืนยันรุ่งก็เป็นการดีโดยโอดนอนด้วยการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่ถ้าอดนอนด้วยการคุยกันให้สนุกพอค่าเวลาแก้ง่วงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด ท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านถือทุต ด, ดวงอย่างหนึ่งให้เคร่งครัดคือฝึกหัดนอนเวลาสีทุ่มแล้วก็ตื่นเวลาตีสามฝึกหัดให้ได้ทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยจนกระทั่งว่าถึงเวลาสีทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเองพอถึงเวลาตีสามแล้วไม่อยากตื่นมันก็ตื่นเองตื่นแล้วนอนไม่ได้เพราะนิสัยมันเคยชิน ท่านอาจารย์เสาในฐานะที่ท่านมีส่วนสัมพันธ์กับพระอุบาลหคิกุณูปมาจารย์จันสิริจันโทท่านก็ย้ำสอนลูกศิษย์ในเบื้องต้นให้ฝึกฝนอบรมฝึกหัดตัวเองให้จำวัดเวลาสีทุ่มก่อนจะถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือศึกษาข้อวินยัยในสำนักครูบาอาจารย์ท่านมนิยมในการที่จะคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยการคุย ด้วยการสนุกเพลิดเพลินหรือด้วยการอยู่การกินใดๆการหลับการนอนให้เคร่งครัดในการปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพอถึงสี่ทุ่มก็จำวัดหลับไม่หลับก็นอนอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามไม่ยอมนอนต่อไปลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกอดนิสัยจนเคยชินจนคล่องตัว ถ้าใครปฏิบัติตามโอวาทที่ท่านแนะนำอันนี้เป็นการฝึกหัดลูกศิษย์ในขั้นต้นถ้าใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสำนักครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่าน แต่ตอนแรกๆท่านจะมีดุ ก, กับดุด่ากับดา่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ดา่าดุเอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบางครั้งบางทีผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านทนไม่ไหวจะพายบาดแบกโลรหนีไปแต่าหากอยู่กับท่านได้โดยเวลาล่วงเลยไปนหนึ่งปีมีอะไรท่านอาจารย์มั่นจะสอนให้หมด ท่านถือว่าท่านเด็กหลั่นกรองแล้วข่าก็ไม่หนีตีก็ไม่วิ่งคนคนนี้เป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนได้เป็นคนมีอุปนิสัยรันต่อไปแล้วท่านมีอะไรดีๆท่านก็สอนให้หมดอย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่นอาจารย์เหรียนหรืออาจารย์บัวผา เคยผ่านสำนักของอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะย่างยิ่งลกูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้คือท่านอาจารย์บัวภาพิยงองค์เดียวนอกนั้นก็ศึกลาเพศล้มหายตายจากไปถ้าจะนับอีกก็คือเจ้าคุณจินวงสาจาย์ท่านอาจารย์บัวพาก็ไม่เคยเทศไม่เคยพูดเพราะติดนิสัยของท่านอาจารย์เสาแต่ที่แหวกแนวก็คือ เจ้าคุณจินวงศาอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของท่านอาจารย์เสาอันนี้เป็นปฏิปทาย่อๆของครูบาอาจารย์ซึ่งนำมาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สหธรรมิกสรุปประมวลธรรมจากหนังสือสัมมาสมาธิ หลวงพ่อพุทธฐานิโยสรุปโดยอริยะคุณชมรมผลดีเป็นเนื้อหาโดยย่อเพื่อการฟังทบทวนอีกครั้งนะครับศีลห้าสามารถทำให้บรรลุได้ศีลเป็นสิ่งที่เอื้อสมาธิและสมาธิก็เอื้อกับศีลให้มั่นคงพื้นฐานคือศีลห้าสำคัญที่สุดเพื่อหยุดเวรกรรมหยุดก่อกรรม สำหรับคารวาสที่ต้องการรักษาศีลมากกว่านี้ต้องรักษาให้สมดุลกับวิถีชีวิตของแต่ละคนการรักษาศีลแปดสำหรับคารวาสบางคนที่มีวิถีชีวิตและร่างกายไม่พร้อมอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีและอาจกลายเป็นความงมงายในการถือศีลเป็นศีลปัตะประาปรมารการถือศีละปรดจนเลยเถิดหรือสักแต่ทาตามกันอย่างงม ง, ง, ง, งายว่าขลังศักดิ์สิทธ ให้เข้าใจความหมายและความมุ่งหมายที่แท้จริงเป็นสังโยชน์ข้อสำคัญที่พระโสดาบันละได้ขาดเป็นเครื่องร้อยรัดให้ต้องจมอยู่ในวะะัฏฏะขวางการบรรลุ ธ, ธรรมวิธีธรรมสมาธิปัญหาสำคัญต้องรู้ว่าสัมมาสมาธิ มีความมุ่งหมายอยู่ที่ตรงไหนแนวทางสำนักใดถูกผิดอยู่ที่เจตนาของผู้ทาอย่างไรเจตนาในการทาที่ถูกจึงถือเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทางแห่งสัมมาสมาธิผลแห่งสมาธิที่ถูกคือเมื่อสงบแล้วอานจิตตัวเองได้ถูกต้องตามความเป็นจริงเห็นว่าเรามีกิเลส ต, ตัวไหนมาก และควรจะแก้ไขยังไรนี้เป็นจุดแรกที่สำคัญการทำสมาธิตามสายท่านพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นขั้นของสมาธิและวิธีปฏิบัตินี้เบื้องตน้นขั้นแรกเลือกแนวทางที่เหมาะเช่นรู้ลมหายใจหรือบริกรรม การเริ่มกำหนดจิตกำหนดรู้ความจริงของจิตกำหนดจดจ่อดูลมรู้กองลมหยาบละเอียดวิตกวิจาร์ปิติสุขจนได้อุปจารสมาธิหรือไปถึงอัปปนาสมาธิคือได้ฌานการเข้าถึงสภาพเดิมของจิตคือปฐมมจิตปฐมมวิญญาณหรือมโนธาต เป็นจุดมุ่งหมายแห่งการทำสมาธิในขั้นสมถกรรมฐานคือการทำความสงบแห่งจิตขั้นนี้ยังไม่เกิดปัญญาแต่เป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของจิตในการเจริญสติดูจิตตามรู้ความคิดโดยเอาเอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติจนเป็นสติพละเป็นสติวินโย สามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อจิตมีสติตามรู้ความคิดทันกันเมื่อไหร่จะกลายเป็นภูมิปัญญาแยากจิตตัวผู้รู้กับอารมณ์หรือสิ่งที่คิดเป็นต่างหากจากกันเหมือนมีจิตสองจิตมีใจสองใจแต่ความจริงคือใจเดียวกัน แต่จิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติให้อยู่ในสภาพปกติแต่อีกอันเป็นกระแสแห่งผู้รู้ออกไปรับรู้อารมณ์จิตมีสติเป็นกำลังจึงไม่ถือมั่นในสิ่งที่ปรุงขึ้นมาเมื่อจิตรู้ทันละเอียดลงไปไม่ขาดสาย จิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุการณนน์นั้นๆจึงกลายเป็นตัวปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเป็นตัววิปัสสนาให้กำหนดจิตรู้ลงที่จิตพยายามจดจ่อลงที่ตัวผู้รู้ ผู้ที่ภาวนาไม่เป็นให้กาหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนถนัดผู้ที่เคยมีสมาธิทำสมาธิได้เร็วไม่จำเป็นต้องบริกรรมอีกให้กาหนดรู้ลงที่จิตผู้รู้คอยจดจ่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตขั้นแรกจะกาหนดด้วยความตั้งใจเมื่อรู้ทันกันจริงแล้ว จิตกับสติเป็นของคู่กันแล้วจะกำหนดตามรู้ในจิตได้เองโดยอัตโนมัติเรียกว่าปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสนาในภาคปฏิบัติแต่ยังไม่ใช่วิปัสนาอย่างแท้จริงจนกว่าจิตจะรู้ซึ้งในสิ่งที่รู้จนเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นความเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดา การศึกษาปฏิบัติธรรมต้องเพื่อความรู้เห็นในขั้นสุดยอดเห็นความม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นความเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาซึ่งมีเพียงเท่านี้เป็นความรู้เหนือสมมุติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นขั้นโล ก, กุตระธรรม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 มีอำนาจบังคับจิตเราต้องรู้ทันอย่าไปหลงในสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธิปรากฏการในขณะธรรมสมาธิหากจะบริกรรมพุทโธให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า บัดนี้จะทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดตามสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนึกในใจต่อว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆและน้อมเชื่อลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจ และกำหนดลงที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นนึกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะมีอาการสงบลงไปคล้ายง่วงนอนวูบลงไปแล้วจิตจะนิ่งจิตจะสว่างขึ้นมาแต่บางคนก็รู้สึกกายเบาจิตเบาก้าวไปสู่ความสงบทีละน้อยไม่มีอาการวูบว่า เมื่อมีอาการสว่างขึ้นแล้วคำบริกรรมจะหายไปไม่ต้องไปนึกถึงคำบริกรรมอีกให้กำหนดรู้ที่จิตถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นให้กำหนดตามรู้ลมไปอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นลมสั้นหรือลมยาวก็ไม่ต้องว่าลมเข้าหรือลมออกก็ไม่ต้องว่าอย่าไปแต่งลมหายใจ อะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกกำหนดรู้เฉยอยู่อย่าไปทำความเอะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนั้นจิตที่รู้ลมหายใจอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะจะมีกำลังกล้าขึ้นสามารถควบคุมจิตให้สงบโดยอัตโนมัติขณะจิตมีความสงบสว่าง แล้วจิตไม่วิ่งไปยึดลมหายใจยอมส่งกระแสไปข้างนอกทำให้เกิดภาพนิมิตก็ให้รู้เฉยอยู่ที่จิตยอย่างเดียวเท่านั้นแค่สักแต่รู้ว่ามีอะไรปรากฏถ้าเอกใจขึ้นมาสมาธิจะถอนความเข้าใจผิดในนิมิตที่ปรากฏอาจทำให้เกิดลักษณะ ส, สภาพผีสิง หรือสำคัญผิดจนกลายเป็นคนเข้าทรงเข้าใจว่าอำนาจผู้วิเศษมาดนบันดาลให้เกิดความสามารถพิเศษทั้งที่ทุกอย่างเกิดจากการปรุงแต่งหรือจากพลังแห่งความสงบของจิตเราเองสำหรับคนที่ปฏิบัติถูกทางนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นนั้นจะ ก, กลายมาเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงสมาธิระดับชาญ หรือการพิจารณารู้แจ้งในธรรมขั้นวิปัสนาได้การทำสมาธิขั้นบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบเป็นฌานแล้วเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิอย่าด่วนออกทันทีให้ตามกำหนดรู้ความคิดไปเรื่อยจนกว่าจะถึงเวลาสมควรค่อยออกจากที่นั่งสมาธิเราออกมาแล้ว ก็ให้มีสติสัมปัชัญญะกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดในทุกอิริยาบถอยู่ตลอดเวลานี่คือการปฏิบัติธรรมที่สามารถให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน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 หู ก, กับเสียงเป็นต้นทั้งหมดแม้แต่จิตผู้รู้ก็ล้วนเป็นสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นกันอยู่นี้นักศึกษาปฏิบัติธรรมต้องเอาสภาวะธรรมเหล่านี้มาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเอาใจมารู้ทำสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา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 เดี๋ยวถ้าต้องการอ้างอิงควรนำมาจากเนื้อหาหลักจากหนังสือเท่านั้นนะครับจบเสียงานสัมมาสมาธิหลุงพ่อพุทธธานิโยอ่านโดยอริยะคุณเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับ ขออนุโมทนาเจาภาพเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ครอบครัสุธรรมบุตรครอบครัวจึงสมศรีนันทนาสิริวัดพิรพัฒน์อุตตรสิริติกุลวีรสิธิ์โชติรันรัตคริตติมาแย้มชูนาวาอากาศโทสมมาตรคันธนูวราลีอธิสกุลวราภรจาตนินพลพรอภิวัฒนาเสวีปรัตนนพุ่มพวงครอบครัวสินสมบัติระวีวันโคสุรัตปัญญาโกจัน